เจรพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทผอุบาสุกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่24สิงหาคมพุทธศักราช2551เป็นวันพระวันธรรมสวนรวันฟังธรรมเป็นวันที่ญาติโยมผู้มีความ แน่วแน่มั่นคงต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนได้มาวัดเพื่อตั้งใจมาบำเพ็ญมาปฏิบัติภารกิจของพุทธศาสนิกชนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงมอบไว้ให้ปฏิบัติกันเป็นประจำคือทุกเจวันหรือแดวันก็ควรที่จะ หยุดภารกิจการงานแล้วก็มาทำภารกิจทางด้านของศาสนาทำด้านจิตใจซึ่งเป็นตัวตนของเรานี้เองทำไม่ได้ทำเพื่อใครทำเพื่อจิตใจของเราทำเพื่อจิตใจก็เท่ากับทำให้กับตัวเราเพราะจิตใจก็คือตัวเรานั่นเองแต่ส่วนใหญ่เราจะไม่รู้ ว่าจิตใจนี้เป็นตัวเราเราจะไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเราจึงไปทำสิ่งส่วนใหญ่ให้กับร่างกายหมดเวลาเสียเวลาไปกับร่างกายที่ไม่ใช่เป็นตัวเราของเราและไม่อยู่กับเราไปตลอดส่วนใจนี้อยู่กับเราไปตลอดเป็นตัวของเรา เราทำอะไรให้กับใจได้มากน้อยเท่าไหร่ก็เป็นของเราหมดถ้าเราทำอะไรให้กับร่างกายมากน้อยเพียงไรก็เป็นของร่างกายเมื่อร่างกายตายไปทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้กับร่างกายก็หมดไปเวลาต่างๆ ท, ที่เราต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการทำงานเพื่อร่างกาย ก็สู์หมดไปไม่ได้ประโยชน์อะไรไม่เหมือนกับการทำให้กับใจของเราเพราะทำได้มากน้อยเพียงไรก็จะติดอยู่กับใจของเราใจของเราหลังจากที่ต้องแยกทางกับร่างกายแล้วใจของเรายังต้องเดินทางต่อไปเพราะพวกเราทุกคนนั้นปรารถนาความสุขด้วยกันทุกคน ไม่ปรารถนาความทุกข์ด้วยกรนทุกคนการเดินทางของเราจึงมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่มรรคผลผนิพพานเพราะที่นั่นเป็นที่สิ้นสุดแห่งการแห่งความทุกข์ทั้งหลายแห่งการเวียนว่ายตายเกิดทั้งหลายแห่งการเดินทางอันยาวนานถ้าพวกเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระศาสนามาสั่งสอน ให้เรารู้จักทางที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการไปสู่จุดที่มีแต่ความสุขที่เรียกว่าปรรมังสุดขังถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาโปรดมาสั่งสอนสัตวโลกพวกเราก็จะไม่รู้จักทางนี้เราก็จะรู้จักทางที่พาให้เราวนเวียน อยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายตายแล้วเราก็ไปเกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็ไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ไปไม่รู้จักจบจักสิน้นแต่พอมีพระพุทธเจ้ามาประกาศพระธรรมคำสอนที่ทรงสอนให้เราสร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมให้เรากาจัดละความชั่วละบาปกรรมทั้งหลายให้หมดสิ้นไป ให้เราชำระจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศ จ, จากความโลภความโกรธความหลงซึ่งถ้าเราทำได้สำเร็จแล้วเราก็จะถึงมรรคผลนิพพานถึงที่สิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องไปเกิดไม่ต้องไปแก่ไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปตายไม่ต้องไปพัดพรากจากสิ่งต่างๆอีกต่อไป อยู่อย่างมีความสุขไปตลอดอนันตกาลนี่จึงเป็นเหตุที่พระพุทธเจ้าต้องบบัญญัติวันพระให้พวกเราได้มีเวลามาบำเพ็ญกันนั่นเองเพราะถ้าไม่บัญญัติไว้พวกเราก็จะถูกความหลงหลอกให้เราวุ่นวายกับการแสวงหาความสุขทางโลกความสุขทางร่างกายจนไม่มีเวลา ที่จะมาบำเพ็ญเพื่อมายก จ, จิตใจให้อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้พระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติวันพระทุกเจ็ดวันหรือ8วันในอดีตก็ทรงใช้ในอดีตตระการนั้นใช้ปฏิทินทางจันทลคติคือตามโคจรของพระจันทร์ พระอาจารย์ก็จะโคจรรอบโลกมีทุกทุกสทุกห้วันก็จะโคจรสองรอบหรือทุก2ี่สวันครึ่งก็จะครบหนึ่งรอบเราเรียกว่าหนึ่งเดือนท่านเลยแบ่งวันพระไว้เป็น4วันด้วยกันวันขึ้นแรง15ห้าคำหรือ14บ่คำแล้วก็วันขึ้นแรง ขั <c oughs> นี่คือวันพระในสมัยอดีตแต่เนื่องจากในสมัยปัจจุบันเวลาได้เปลี่ยนแปลงไปสมัยนี้เราไม่ได้ใช้ปฏิทินจันทรคติเป็นหลัก <c oughs> เราใช้ปฏิทินศุริยะคติคือตามโคจรของดวงอาทิต์ก็แบ่งว่าโลกก็จะโคจรรอบดวงพระอาทิตย์365วันต่อหนึ่ง 1. รอบก็แบ่งเป็น12เดือนเดือนหนึ่งก็มี30วันบ้าง31วันบ้าง2ี 28, บ้าง29บ้างเพื่อให้ได้ครบ365วันแล้วก็แบ่งเดือนไว้เป็นเป็นอาทิตย์อาทิตย์ก็มี7วันแล้วก็หยุดทำงานกันวันเสาร์วันอาทิตย์เนื่องจากเราเอาปฏิทินของของชาวตะวันตกมาใช้ ชาวตะวันตกเขาจะนิยมหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เพื่อจะได้บำเพ็ญบุญกุศลตามคำสอนของศาสนาของเขาพอพวกเราเอาปฏิทินของเขามาใช้เราก็เลยหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ตามเขาไปจึงทำให้วันพระนี้ไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระนี้จะหมุนเวียนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดือนนี้ก็จะอยู่กับวันอาทิตย์ เดี๋ยเดินเดินต่อไปก็จะขยับไปวันจันทร์วันอังคารไปเรื่อยๆดังนั้นสําหรับท่านที่มีวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดเลยต้องปรับตนเองคือถือวันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันพระแทนคือถึงแม้ว่าจะไม่ตรงกับวันขึ้นแรง8ปดขั้มหรือวันขึ้นแรง14บสี่สห้าขั้มก็ให้ก็ถือหลักของวันเสาร์วันอาทิตย์ เป็นวันพระวันพระนี้ความจริงแล้วมีเจตนาเพื่อให้เราได้มาทำบุญให้ทานให้เราได้รักษาสิงให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้ฟังเทศน์ฟังธรรมเพราะนี่เป็นการทำประโยชน์ให้กับจิตใจของเรายกจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้ดีขึ้นให้มีความสุขมากขึ้นให้มีความทุกข์น้อยลงนั่นเอง ถ้าเราไม่มีวันพระเลยชีวิตของเราก็จะมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจไม่รู้จักจบจากสิ้นและจิตใจก็จะเสื่อมต่ำลงไปเรื่อยๆเพราะถูกกำเานาจของความโลภความโกรธความหลงความหลงคอยฉุดลากให้ลงไปสู่ที่ต่ำให้ไปทำผิดศีลผิดธรรมให้ไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆโดย เห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เสียหายอะไรคนสมัยนี้คนที่ไม่เข้าวัดเขาไม่คิดว่าการ<ๆ>การละเมิดศีลนี้เป็นเรื่องร้ายแรงแต่อย่างใดเขาไม่คิดว่าการที่จะไปเกี่ยวข้องกับสรายาบเมาหรืออบายามุขต่างๆนั้นมีผลเสียหายแต่อย่างใดเขากลับคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นความสุขเสีย อ, อีกจึงมีการพยานที่จะ ทำให้อบายามุขต่างๆนั้นถูกต้องตามกฎหมายคือออกกฎหมายมารับรองสิ่งที่มันไม่ดีเช่นพยายามที่จะเปิดบ่อนให้เป็นบ่อนที่ถูกกฎหมายแล้วก็อย่างอื่นตามและสิ่งอื่นๆอีกเป็นต้นเกิดจากความหลงของจิตใจที่ไม่ได้เข้าวัด ไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมไม่ได้ฟังพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าผู้เป็นนักปราชญ์ผู้รู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกเมื่อไม่ได้ฟังคําสอนของนักปราชญ์ฟังคําสอนของความหลงที่มีอยู่ในตนเองก็เลยกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิไปมีความเห็นผิดเป็นชอบเห็นโกงจักเป็นดอกบัว ชีวิตจึงมีแต่ความวุ่นวายถึงแม้จะมีทรัพย์สมบบติเข้าของเงินทองมากมายเพียงรอยก็ตามแต่ก็ถูกความหลงความโลกความโกรธหลอกล่อให้วิ่งให้แสวงหาไม่รู้จักจบจักสิน้นให้ทำบาป ท, ทำกรรมให้สร้างปัญหาให้กับตนอยู่เรื่อยๆเ <c oughs> พราะว่าไม่มีวันพระนั่นเอง ถ้ามีวันพระเข้าวัดทุกวันพระ <c oughs> ก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องบาปบุญคุณโทษเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ <c oughs> เรื่องของเวียนไหวาตายเกิด <c oughs> เรื่องของกรรมเรื่องของใจที่เป็นตัวที่เวียนไหวาตายเกิดถ้าไม่ได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้ก <c oughs> ็จะไม่เข้าใจว่าทําไมเราจะต้องมารักษาศีลกัน มาทำบุญกันให้เสียเงินเสียเวลาไปทำไมเพราะใจนี้ต้องการสิ่งเหล่านี้นั่นเองเวลาเราทำบุญให้ทานใจของเราจะมีความอิ่มเอิบใจมีความสุขมีปิติมีความภูมิใจนี่คือสิ่งที่เราได้จากการที่เราเสียสละทรัพสมบัติเงินทองของเราให้แก่ผู้อื่นเช่นวันนี้เราก็เอาเงินทองไปซื้อข้าวของซื้อกับ ข้าวกับปลาอาหารข้าวหวานมาถวายพระภิกษุสามเณรที่จำมัรสาอยู่ที่วัดนี้เพื่อท่านจะได้มีอาหารรับประทานไม่อดอยากขาดแคลนเมื่อเรารู้ว่าท่านมีความสุขจากการกระทำของเราเราก็มีความสุขไปด้วยมีความอิ่มเอิบมีความปิติภายในใจของเรา ถ้าเราไม่ทำเรามีเงินเราเก็บไว้เฉยๆหรือเอาไปใช้ในส่วนอื่นในสิ่งอื่นความสุขอันนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นความอิ่มเอิบใจก็ไม่เกิดขึ้นความพอใจก็ไม่เกิดขึ้นแต่กลับให้กลับมีความอยากความโลภมากยิ่งขึ้นไปทำให้เราต้องไปทำามาตามความโลภตามความอยาก เช่นอยากจะเล่นการพนันก็ไปเล่นการพนันอยากไปเที่ยวก็ไปเที่ยวอยากเสพสุรายาเมาก็เสพอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ซื้อโดยที่ไม่เคยคิดเลยว่าจะได้ประโยชน์อะไรกับจิตใจบ้างพอซื้อไปแล้วทําไปแล้วแทนที่จิตใจจะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอใจเหมือนกับการมาทําบุญให้ทานกลับมีความอยากมากขึ้นไปอีก อยากจะดื่มมากขึ้นอยากจะเที่ยวมากขึ้นอยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆมากขึ้นมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เราต้องไปก่อกรรมทำเข็มไปสร้างเวรสร้างกรรมเพราะเราจะต้องไปหาเงินหาทองเพื่อที่จะมาซื้อสิ่งต่างๆมาทำสิ่งต่างๆตามความอยากของเรานี่นี่เป็นเพราะว่าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของใจเราเราไม่เคยได้ยินได้ฟัง คำสอนของพระพุทธเจ้าที่รู้ถึงธรรมชาติของใจรู้ว่าใจต้องการอะไรรู้ว่าใจจะดีได้อย่างไรใจจะมีความสุขได้อย่างไรอยู่ที่การที่เราทำความดีต่างๆและและความชั่วต่างๆตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั่นเองเช่นวันนี้เราก็มาทำบุญให้ทานเท่ากับให้อาหารกับใจ ทำให้ใจเรามีความอิ่มมีความสุขมีความพอกลับบ้านเราก็อยู่บ้านได้อย่างสบายไม่รู้สึกเบื่อนายไม่รู้สึกอยากจะออกไปข้างนอกอยากจะไปทํานู่นทํานี่ไปดูนั่นดูนี่หรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆก็ใจเราได้รับอาหารนั่นเองมีความสุขมีความพอเราก็ไม่ต้องไปดินน้นรนไปเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุ เงินทองที่เราไม่ไม่ค่อยพอใช้เมือม่อเมื่อก่อนนี้ก็จะกลับเป็นมีเงินทองเหลือใช้ถ้าเราทำบุญอยู่เรื่อยๆแทนที่เราจะหมดเงินหมดทองไปมากเรากลับหมดน้อยเพราะเงินที่เราทาบุญนี้ไม่มากเท่ากับเงินที่เราเอาไปใช้จ่ายกับการซื้อข้าวของฟุ่มเฟือยไปเล่นการพนันไปเสพสุรายาเมา หรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆนั่นเองเมื่อจิตใจของเราได้รับอาหารอย่างพอเพียงได้ทําบุญอย่างสม่ําเสมอเราก็อยู่เราก็อยู่เย็นเป็นสุขอยู่เป็นสุขว่าอย่างนั้นเถิดคืออยู่แล้วไม่รู้สึกหมดหุดยิดลาคาญใจกุ้มอกกุ้มใจ ว, ว่าเหวเศร้าซ้อยหงอยเหงาอยู่บ้านแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับอยู่อยู่ในคุกในตาราง ต้องออกไปนอกบ้านต้องไปเสียเงินแล้วถึงจะมีความสุขเนี่ยละคือการทำประโยชน์ให้กับใจของเราคือทำบุญให้ทานเพื่อให้อาหารเมื่อเรามีความสุขแล้วใจของเราก็สบายเราก็จะไม่ต้องไปก่อกรรมทำเข็ไปแข่งขันหางเงินหาทองไปสร้างเวทสร้างกรรมต่อกับผู้อื่นเราก็จะไม่เบียดเบียนผู้อื่น เราก็จะมีความเราก็จะไม่อยากที่จะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่อยากจะลักทรัพยพพ์ไม่อยากจะพูดผิดประเวณีไม่อยากจะพูดปลดมดเทจไม่อยากจะเสพสุรายามเมางเพราะเราเห็นแล้วว่าการเบียดบีนผู้อื่นด้วยวิธีการเหล่านี้ล้วนเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณทำไปแล้วถึงแม้จะได้สิ่งที่เราต้องการเช่นเราอยากจะได้ทรัพย์ของผู้อื่นเราก็ไปลักไปขโมยมา เราได้มาแล้วแต่ใจเกของเรากับวุ่นวายกินไม่ได้นอนไม่หลับมีความหวาดภาวะหวาดกลัวที่จะต้องถูกเขาจับไปลงโทษนั่นเองว่าเราทำอะไรผิดแล้วก็เป็นเหมือนกับวัวสันหลังหวะมันจะเจ็บจะปวดอยู่เรื่อยๆใจของเราจะหวาดกลัวจะทุกข์จะกังวลอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ทำผิดศีลเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่น เราจะรู้สึกสบายอกสบายใจไม่กังวลไม่เดือดร้อนไม่ห่วงว่าจะต้องมีใครมาจับเราไปลงโทษเพราะเราไม่ได้ทำอะไรผิดนั่นเองนี่ก็คือการให้ความสุขกับใจที่เกิดจากการไม่เบียดเบียนผู้อื่นมีความปลอดภัยแล้วก็เป็นทำให้ใจนี้เป็นใจที่สวยงามด้วยคนเรานั้น ไม่ได้สวยงามที่รูปร่างร่างกายของเรานี้มันไม่ได้สวยงามอะไรเราพยายามแต่งมันเท่าไหร่มันก็ไม่สวยไม่งามเพราะมันก็เป็นเหมือนกับถุงที่ห่อสิ่งที่เป็นปฏิกูลไว้นั่นเองถึงแม้ถุงจะมีรูปร่างที่สวยงามแต่สิ่งที่อยู่ภายในถุงก็มีก็เป็นขยะเป็นปฏิกูลถ้าใครรู้ว่ามีของ เหล่านั้นอยู่ในถุงก็ไม่มีใครอยากจะได้ถุงใบนั้นถึงแม้ว่าถุงใบนั้นจะสวยงามขนาดไหนก็ตามร่างกายของคนเราก็เช่นเดียวกันมีหนังหุ้มห่อไว้เท่านั้นเองหุ้มห่ออะไรไว้ก็หุ้มห่อสิ่งที่เป็นปฏิกูลสิ่งที่ไม่สวยงามทั้งหลายที่มีอยู่ในอยู่ในร่างกายนี้เองไม่ว่าจะเป็นอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็น สิ่งปฏิกูลที่ร่างกายต้องขับถ่ายออกมาก็มีอยู่ในร่างกายนีย้อยู่ในถุงหนังนี้เองหนังนี้เป็นตัวที่ปกปิดไม่ให้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายไม่ให้เห็นความเป็นปฏิกูลของร่างกายต่อให้เราตกแต่งดีขนาดไหนก็ตามใส่น้ำหอมดีและกินก่นหอมขนาดไหนก็ตา่าง เดี่ยวกลิ่นไม่ดีมันก็ต้องออกมาอยู่ดีเพราะร่างกายนี้มันมีกลิ่นไม่ดีโชยออกมาอยู่ตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของร่างกายคนที่มีปัญญาก็จะไม่หลงกับความสวยงามที่เกิดจากความตกแต่งไม่ว่าจะเป็นตกแต่งด้วยเครื่องสมอางด้วยการทําผมชนิดต่างๆด้วยเสื้อผ้าอาบอ่อชนิดต่างๆความสวยเหล่านี้ก็เป็นความสวยที่ เป็นเปลือกเท่านั้นเองคนฉลาดนั้นจะมองคนที่นิสัยมากกว่าดูว่าเป็นคนมีความซื่อสัตย์สุจริตหรือไม่ดูว่าเป็นคนเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพราะนี่เป็นสิ่งที่สาคัญคนที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตอยู่กับใครที่ไหนก็ไม่มีใครอยากจะอยู่ด้วยไม่มีใครอยากจะ ให้อยู่ด้วยเพราะกลัวว่าจะไปทำร้ายเขากลัวว่าจะไปเอาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองของเขาไปกลัวว่าจะไปหลอกลวงเขาด้วยวิธีการต่างๆเพราะว่าคนที่ไม่มีศีลจะเป็นอย่างนั้นจะพูดปดหมดเท็จจะลักเล็กขโมยน้อยจะพูดผิดประเวณีถ้ามีคนอย่างนี้อยู่ในบ้านเรา เราก็เหมือนกับมีโจรอยู่ในบ้านนั่นเองมีใครบ้างที่อยากจะให้มีโจรอยู่ในบ้านถึงแม้รูปร่างหน้าตาจะสวยงามขนาดไหนแต่งกายแต่งหน้าแต่งเสื้อผ้าให้สวยงามขนาดไหนก็ตามแต่ถ้ารู้ว่าเป็นใจที่ไม่ซื่อสัตย์สุดจริเป็นใจที่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นก็จะไม่เป็นที่น่าคบค้าสมาคมน่าให้อยู่ให้อยู่ด้วย จะต้องปฏิเสธหรือจะต้องหาหาวิธีขับไล่ให้ออกไปจากบ้านให้ได้ดังนั้นเราอย่าไปให้ความสนใจกับความสวยงามของร่างกายมากจนเกินไปเพียงแต่อาบน้าําอาบท่าหวีผ้าหวีผมใส่เสื้อผ้าแบบเรียบง่ายก็พอแล้วกับความสวยงามของร่างกายมันไม่สวยมันไม่สวยมากไปกว่านี้ สิ่งที่เราจะต้องแต่งอยู่เรื่อยๆก็คือใจของเราแต่งใจของเราให้สวยงามด้วยความเมตตากรุณาให้ให้เป็นจิตใจที่มีความคิดที่ดีต่อผู้อื่นปรารถนาดีต่อผู้อื่นมีความให้อภัยแก่ผู้อื่นในเวลาที่ผู้อื่นละเมิดหรือทาอะไรที่ทำให้เราเกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะในทางกายหรือในทางใจก็ตามเราต้องมีความเมตตาให้อภัยให้ได้เพราะถ้าเราให้อภัยได้เราก็จะเป็นคนที่น่ารักน่าเคารพถ้าเราให้อภัยไม่ได้เราก็จะเป็นคนไม่ดีไปได้แทนที่จะเป็นพระเราก็กลายเป็นยักษ์เป็นมารไปได้แต่ถ้าเราให้อภัยได้เราก็ไม่ไป ทำร้ายผู้อื่นผู้ที่เขาทําให้เราเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาขอให้เราคิดเสียว่าอยู่ในโลกนี้ก็เหมือนกับลิ้นกับฟันก็ต้องมีการกระทบกันบ้างมีมีโอกาสที่จะเผ้อพลัง้งเพ้อผิดพลาดแล้วก็สร้างความเสียหายให้ต่อกันและกันได้หรืออาจจะเป็นพ่อบูญกรรม เวรกรรมที่มีต่อกันมาในอดีตชาติทำให้เราต้องมามีเวรมีกรรมกันมาเบียดเบียนมาทำร้ายกันละกันก็ขอให้เราพยายามให้ความให้อภัยอย่าไปจองเวรจองกรรมทิดเสว่าใช่นี่เก่ากันแล้วกันอย่าไปสร้างนี่ใหม่ด้วยการไปทำร้ายผู้อื่น พราเมื่อเราไปทำร้ายเขาเขาก็จะกลับมาทำร้ายเราอีกมันก็จะไม่มีจบสิน้นจะจะเป็นการจองเวรไปข้ามพบข้ามชาติไปไม่รู้จักจบจากสิน้นังสุภาษิต ท, ที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังนั้นไม่ว่าใครจะทำอะไรก็ดีพูดอะไรก็ดี ที่ทำให้เกิดความเสียหายทางกายหรือทางใจก็ดีขอให้เรายับยั้งความโกรธความอาฆาตพยาบาทด้วยการให้อภัยถ้าเราให้อภัยได้ทุกอย่างก็จะยุติไม่มีปัญหาตามมาต่อไปเขาเมื่อเขาทำไปแล้วเขาก็เาก็ไปแล้วความทุกข์ร้อนมันอยู่ในใจเรา เราต้องมาแก้ออที่ใจเราไม่ใช่ไปแก้ที่คนที่ทําให้ใจเราทุกข์ร้อนเขาจะพูดอะไรก็จะทําอะไรแล้วเราเกิดความโกรธเกิดความร้อนขึ้นมาในใจเราต้องรีบดับความโกรธดับความร้อนอย่าไปอย่าไปแก้ที่คนที่เขาทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะปัญหาไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหาอยู่ที่เรา อยู่ที่ใจของเราที่กําลังทุกข์ร้อนนี้ถ้าเรามีความเมตตาคือรู้จักให้อภัยเราจะไม่ทุกข์ร้อนกับเรื่องต่างๆไม่ว่าใครจะพูดอะไรทําอะไรเราก็ไม่ไปถือสาเขาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะปล่อยให้เขาทำตามอําเภอใจเสมอไปถ้าเรามีโอกาสที่จะหลบได้หลีกได้ เราก็หลบเราก็หลีกถ้าเรามีโอกาสที่จะกันได้ป้องกันได้เราก็ป้องกันหรือถ้าเรามีโอกาสที่จะทำความเข้าใจกับเขาได้เราก็ทำความเข้าใจกับเขาแต่ถ้ามันเป็นเหตุที่สุดวิสัยที่เราไม่สามารถทำอะไรได้สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือเราต้องทำใจของเราให้เป็นอุบเบกขาวางเฉยด้วยการให้อภัย ด้วยการไม่อาฆาตพยาบาทเพราะถ้าเราไม่สามารถดับความอาฆาตพยาบาทได้ใจของเราจะเป็นไฟนรกขึ้นมาจะมีไฟนรกเผาผลาญจิตใจของเราขึ้นมาจนทำให้เราไม่สามารถตั้งอยู่ในความเป็นอุเบกขาได้เราจะไม่สามารถอยู่เฉยๆได้เราจะต้องไปทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่าง เราก็จะเกิดความเสียหายตามมากลับมาหาเราอีกทำให้เราเสียใจมากไปกว่าเดิมอีกแต่เวลาที่เกิดความโกรธเกิดความร้อนเกิดความอาฆาตพยาบาทตอนนั้นจิตใจจะไม่มีสติสตังไม่มีเหตุไม่มีผลจะถูกอนานาจของความอาฆาตพยาบาทนี้คอยผลักดันให้ไประบายความ ความโกรธความแค้นนี้ให้มันหมดไปแล้วแทนที่มันจะหมดมันก็กลับสร้างความทุกข์ร้อนขึ้นมาเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อเราไปทำร้ายผู้อื่นแล้วเราก็ต้องเกิดความเราก็ต้องคอยหลบนี้เพราะเราก็ไม่อยากจะให้เขาทำเราแต่เราก็รู้ว่าเมื่อเราทำเขาแล้วเขาก็จะต้องตามมาทำเราอีกนี่ก็จะแทนที่จะดับไฟนรก ก็กลับสร้างสร้างไฟนรกเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างต่อเนื่องอยังไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่ถ้าเราน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสสอนว่าเวญย่อมระ ง, งับด้วยการไม่จองเวญต้องให้อภัยเมื่อเราให้อภัยได้แล้วเราก็จะอยู่เฉยๆได้เพราะเมื่อถ้าเราให้อภัยได้แล้วความร้อนใจก็จะดับไป ความอาฆาตพยาบาทก็จะดับไปเราก็จะอยู่อย่างปกติเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ในขณะนี้เราก็ปลอดภัยเพราะเราเมื่อเราไม่ไปเราไม่ไปสร้างความทุกข์เราไม่ไปทำร้ายผู้อื่นเราก็ไม่มีไม่มีผู้อื่นเขาจะมาทำร้ายเราเราก็อยู่อย่างเฉยๆได้อย่างสบายใจนี่คือความดีที่พระพุทธเจ้าทรงสอน ให้พวกเราหมั่นทากันคือให้มีความเมตตาให้มีความปรารถนาดีต่อต่อทุกสัตว์ทุกบุคคลปรารถนาให้เขาอยู่เย็ยนเป็นสุขอย่าไปปรารถนาให้เขาชิบขายให้เขาล่มจมให้เขามีแต่ความทุกข์เพราะความคิดแบบนี้เป็นความคิดที่จะทัางสร้างไฟนรกให้เกิดขึ้นกับใจของเราเราจะไม่มีความสุขแต่ถ้าเราคิดดีต่อผู้อื่นแล้ว ใจของเราจะเย็นใจของเราจะสบายและเราก็จะเป็นคนที่มีคนเขาอยากจะคบค้าสมาคมด้วยคนที่มีความเมตตานี้ไม่ว่าจะไปอยู่ที่ไหนก็จะไม่มีไม่ปราศจากเพื่อนจะมีเพื่อนอยู่เสมอและจะไม่มีศัต ร, รูนี่คือความดีที่เราควรทำให้กับจิตใจของเราอย่าไปเสียดายกับ สิ่งต่างๆที่เรามีอยู่จนถึงทำให้เรากลายเป็นคนใจแคบไปเพราะสิ่งต่างๆที่เรามีอยู่นี้สักวันหนึ่งเราก็ต้องทิ้งมันไปหมดหรือมันก็จะต้องจากเราไปมีมาได้ก็มีไปได้มีเจริญก็มีเสือ่อมในเรื่องลาบยศสรนเสริญสุขเป็นเรื่องปกติแต่ขอให้เราอยู่แบบคนใจกว้างคนใจบุญ มีความเม่กัลลูนาถ้าใครเดือดร้อนมีอะไรที่เราพอที่จะสงเคราะห์พอที่จะช่วยเหลือพอที่จะแบ่งปันให้กับเขาได้ก็ขอให้เราให้กันช่วยกันแล้วใจของเราจะมีความสุขจะมีความเจริญมีความสูงขึ้นไปเรื่อยๆก็เราไม่ได้สูงที่ตำแหน่งในหน้าที่การงานแต่สูงด้วยคุณธรรม คือความเมตตากรุณานี่แหละนี่คือเรื่องของการดูแลใจของเราอยู่ที่การทำความดีตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ไม่ว่าจะเป็นการทำบุญให้ทานก็ดีไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีลก็ดีหรือไม่ว่าจะเป็นการทำจิตใจให้สงบชำระความโลกความโกรธความหลงให้เบาบางลงไปและให้หมดไปในที่สุด นี่คือหน้าที่ของเราถ้าเราบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้รับรองได้ว่าใจของเราจะมีแต่ความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงจะจ ะ, จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆตามภพภูมิต่างๆจากมนุษย์ก็ไปเป็นเทพเป็นพรหมเป็นพระอริยเจา้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นพระพุทธเจ้าตามลาดับต่อไปอยู่ที่การบาเพ็ญ ทุกๆวันพระที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราบำเพ็ญกันจึงขอให้พวกเราจงยาลืมวันพระทุกๆถ้าวันพระของเราไม่เราไม่สามารถมาตามวันขึ้นแลมได้ก็ขอให้เรากำหนดวันพระเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ก็ได้เพราะที่วัดนี้ก็เป็นที่ที่เราสามารถที่จะมาบำเพ็ญได้ทุกวัน พราะที่นี่พระเนรจะลงสาราทุกวันแต่จะมีการเทศนาว่ากลว่าเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์และวันพระวันธรรมดาก็มีแต่การใส่บาตเท่านั้นนี่แหละคือการดูแลจิตใจของเราหรือสร้างสิ่งที่ดีที่งามให้กับจิตใจของเราเพื่อจิตใจของเราจะได้เจริญขึ้นไปตามลําดับจนถึงขัง้นสูงสุด ดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวงทั้งหลายได้เจริญกันท่านถึงจุดสูงสุดแล้วท่านถึงจุดอิ่มแล้วท่านถึงจุดที่พอแล้วไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วมีแต่ความสุขไปตลอดนันตะการก็จะเป็น ส, สิ่งที่เราจะได้รับเช่นเดียวกันถ้าเราบำเพ็ญตามพระพุทธเจ้าตามคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงขอฝากเรื่องของการมาบำเพ็ญในวันพระนี้ให้ท่านได้พินิษ์พิจารณาและปฏิบัติตามแต่กำลังแห่งสติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรเพื่อประโยชน์สุขที่แท้จริงที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนัรัายมีพระพุทธประธานประสง